คิดกับคิดได้ทุกอย่างวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่สอนใจโดยตรงสาศัยนิมิตคือกายมันก็มีกายมีใจที่ว่ารูปเรียบธ น, นามมันแยกกันไว้ได้มีสติเหมือนกับ เป็นสิ่งที่ดึงจิตใจเข้าเข้าบ้านก็ว่าได้บ้านของจิตคือปกติบางที่ตั้งแต่หลอยปีมาแล้วจิตไม่มปบ้านพัดถิ่นอยู่เลยกัางคือตอนตั้นควันกับงวนันตั้นเตว ความคืนว่าฝันกลางวันก็ ว, นว่าคิดนั่นแหละจิตพัดถิ่นพัดป้านแล้วก็อาไปไปย่อมอะไรเปืเอเลอะเทอะไปหมดเมื่อจิตปัะปานก็เป็นจิตที่เถื่อนรับใช้สิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องได้ ไม่เคยสอนจิตสักทีตั้งแต่เกิดจนตายก็มีบางชีวิตวิชากรรมฐ า, านอยู่ ว, วาตวะอารามณ์ <c oughs> เป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเป็นนักศึกษาเป็นนักปริญัติบ้างเรียนรู้ ไม่รู้เผนที่บ้างเรื่องกายเรื่องใจนี่ไม่มีแผนที่จะไม่รู้จักแผนที่ก็หลงคิดหลงทางได้หลงกลายหลงใจไม่ใช่เรื่องเล็กถึงคอขาดปาต า, ายจะทุกข์เป็นโทษตัวตัวเองและคนอื่น จึงมาจึงสมควรที่ต้องฝึกกายใจนี่ให้มันใช้งานได้สิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันผิดรูปหมดลูคบครบรูบท่วนวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ เป็นตัวเฉลยเป็น ส, สตินี่เป็นตัวเฉลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจให้มันจบไป้าเฉลยได้หมดซะลู่หมดซะมันไม่ยากมันทำได้ทุกคนเพราะมันเกิดที่กลายที่ใจนี่กายก็เคย อ, อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สติก็อยู่นี่ ปฏิบัติได้ผู้จเจริญสติจริงๆมีสติไปในกาในใจจริงๆก็จะเห็นกระเสปณิพานทันทีก็ได้กระเสปณิพานเลยตราทำถูกก็มีสติไปในกาย เห็นกายจกว่ากายไว้ใช่สัตุรุคนตัวตนโลเขาสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกายให้เห็นอย่างนี้นี่คือทางไปสู่มรรคสุผลอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนซ้อนขึ้นไปอีกกายในกายเอาเรื่องของกายมาเป็นชุบเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นถึงกับเกิดความพอใจไม่พอใจ จะให้กายไม่เป็นเรื่องเห็นชุบเป็นทุกข์ไม่เห็นจักแต่ว่าทางไปนิพพานคือเป็นอย่างนี้ก็ง่ายๆถ้าได้มีจิเห็นแล้วสิ่งที่มันเกิดนกืบกายกับใจเหมือนกันหมดจิติเป็นตัวหลักเหมือนกันหมด ทำได้ทุกครั้งที่บุษยคตผิดเป็นถูกทุกครั้งได้มีการกระทำเกิดขึ้นโดยเฉพาะวิญากรรมฐานนี่หลบเลีกไม่ได้มาอย่างไงก็ต้องเป็นกรรมฐานที่ตั้งของการกระทําอยู่เสมอดึดหลักนี้ไป้เห็นได้ทาไม่เป็นในตัวเองไกช่วยตัวเองง่ายเป็นก็ต้องมีสติ ดึงเข้ามารู้สึกตัวต่อไปมันจะช่วยตัวเองเป็นสายก็จะช่วยวเองใจก็จะช่วยตัวเองถ้าหัดมันถูกแล้วมันจะรู้เองไม่มีอะไรที่รู้ดีรู้ผิดรู้ถูกเท่ากับการกระตายเมื่อเหมือมนรู้เอง จิตมันก็จะดูจิดเองมันก็เข้ากันดีกับสติเป็นหนึ่งเดียวไปเลยสติคิดกายเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยไม่ได้เปิดถ้ามันเป็นแล้วนั้นไม่มีอะไรนี่แต่พระว่าที่รู้เป็นธาตุรูกเป็น ปิญญาณธาตุที่มันรู้ธาตรู้ธาตุรู้คือมันรู้เนี่ยว่าวะที่รู้ซื่อๆภาวะที่รู้ตรงๆปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติต อ, อกจากทุกคือรู้ซื่อๆนี่ รู้รู้แล้วรู้แล้วอวตาที่รู้ไม่ติดกับอะไรไม่ไปย่อมติดกับจริงไหนรู้ไมันจึงเหนือโลกสุข ก, ก็รู้เนี่ยทุกข์ก็รู้เนี่ยหิดก็รู้เนี่ยถูกก็รู้สงบก็รู้ปุ่งซานก็รู้นี่ต่อไ้หลักนี้มันก็ ทะลุทะลวงได้ไปไกลเหมือนอาวุธที่ยิงได้ไกลปราครจึตได้ทุกรูปแบบเราตั้งต้นให้ดีตั้งต้นแต่เปตแต่ป่าไม่ได้สัมผัสไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้เกิดความเพียรไม่มีพละขึ้นมามันก็อะไรก็ยาก ผิดก็ยากอยากได้ให้มันถูกยากอยากให้มันถูกก็ยากแก้ความผิดก็ยากแก้ทุกข์ก็ยากอยากมีสุข ก, ก็ยากมันจะยากกันหลยอยากจะลู่ซื่อเข้าไปในอันสุขกันทุกข์มันเป็นสังขารทั้งสองอย่าง ไม่แต่บุญบาปไม่ผิดถูกแต้บุญก็เรีว่าอะบุญยาพี่สังขารบาปอ่ะปุญญาพ่สังขารอาเนนชายังไม่เป็นบุญเป็นบาปเรียกว่าอาเนนชาพี่สังขารพร้อจะเป็นสังขารทั้งสองอย่างถาวาที่ลู่เหนืออนี้เหนืออย่างนี้เหนือสังขารอย่างนี้ ทำได้ก็โตขึ้นนันทีพอทำลงไปใหญ่ขึ้นนันทีพึ่งได้ทันทีเป็นอัตตาหีอัตอตโลนะโถทำได้เองทันทีอาเสยลำแข้งเราทันทีสุข ก, ก, ก็ทุกข์สุขเราเองทุกข์ก็ทุกข์เราเองไม่มีใครช่วยเราขอทั ว, วเรียบร้อยเราทำถูกคนเด็ดก็ไม่ถูกกับเรา เราทำผิดคนอื่นก็ไม่ผิดกับเราตัวเราคนเดียวจึงพอพอเพียงมั่นใจปฏิบัตินี่มันมั่นใจมันศักดิ์สิทธิ์มันสมได้สร็จปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานของชีวิตการชีวิตที่เกิดมาเราทำสิ่งนี้สาเร็จก็คุ้มค่า สุข่าที่ได้เกิดมามีกายมีใจมีรูปมีนามบทเรียนที่เกิดจากกายจากใจมันเป็นปัญญายอดเยี่ยมปัญญาพุทธะมันเป็นศรัทธาก้าหน้าศรัทธาไม่ถอยมันใช่ศรัทธาอันอื่นวัตถุอื่นพึ่งจริงอื่นพึ่งศรัทธา พึ่งความเพียนพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเป็นพละกกาลังใหญ่ที่ทำให้เกิดใชัยนะาขึ้นมาสิ่งที่สนับสนุนเป็นพนลังร่วมพึ่งทุนแรงเยอะแย ะ, ย ะ, ยะว่าแต่เรามีสติสิลก็เกิดขึ้นได้ สมาธิก็เกิดขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้นได้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ความเพียรเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้สิ่งที่มันเกิดกับขากับใจเรานี่นิดหน่อยนิดหน่อยถ้ามีสติเป็นหยานเป็นวิปัสสนาหยานลูกแก้แจ้งแง้งเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ มีความรู้เดี๋ยวนี้นี่คือความรู้ยกเหมือเคลื่อนไหวอยู่นี่นี่คือความรู้รู้สึบตัวของจริงไหอยู่นี่รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่ใจอยู่นี่นี่คือของจริงหนึ่งนาทีสองนาทีรู้อยู่นี่หนึ่งวันเจ็ดวันรู้อยู่นี่มือมปักหลักได้อย่างนี้มันก็เกิด จึงก้านสาขาเกิดดอกออกผลมันทําได้แล้วก็ไม่ต้องทําอีกเป็นมรรคเป็นผลอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลตปเลยเป็นรูปตัวนี้ตัวรูปตัวนี้เป็นยานเป็นปัญญาเป็นฌานฌานคือเพลงเผาอะไรก็ขึ้นไม่มีเหลือดับไม่เหลือไม่มีอะไร จิตใหก่ว่างว่างว่างทั้งเต็มเต็มไปด้วยความไม่มีอะไรว่างจากความเป็นอะไรเต็มไปด้วยความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่เหนือโลกสู่ธรรมชาตินี่คือธรรมะธรรมชาติสู่ธรรมชาติ ธรรมชาติจริ้งใหญ่ธรรมชาติที่เกิดจากกาจากใจนี่ธรรมชาติเท็มเกิดจากแผ่นดินโลกนี่ป่าไม้แม่น้าเป็นธรรมญาติและธรรมชาติของป่าจุดไฟไม่ไหมและธรรมชาติจริงๆนะไม่มีอะไรทำลายธรรมชาติบ้าง ฝนตกลงมาอว้จะถึงพื้นดินเนี่ยเกือบจะครึ่งชั่วโมงจึงถึงพื้นดินแต่ก่อนอยู่นี่ตั้งแต่ป่าดมสมบูรณ์อยู่น่นไม่เคยเห็นน้ำไหลฝนตกตลอดเกินไม่เห็นน้ำไหล แต่เห็นแต่หน้าในห้วยมันตึงขึ้นเพราะอะไหเพราะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้ตกเม็ดหนึ่งก็ไหลเม็ดหนึ่งธรรมชาติตกสูญเสียชีวิตเราก็เช่นกันอะไรตกถึงกายก็ไหลไปไม่มีธรรมชาติเลย พอใจไม่พอใจไปเอาถึงใจกับไปพอใจไม่พอใจเมื่อมีความพอใจไม่พอใจก็เกิดสมบูติปัญญัติโชคไม่โชอบเมื่อชอบไม่ชอบเกิดอุปทานขึ้นมายึดมันมนมนดม่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภกเป็นชาติชลามรณะโสกปะฏิวัทุปตายดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยูๆๆ่เช่นนั้น ไม่มีธรรมชาติเลยวิ่งอยู่เสมอเถื่อนอยู่เสมอไม่เคยเฝึกแล้วก็ป่อเถื่อนกายก็ป่อเถื่อนใจก็ป่อเถื่นสสอนสมศรนปล่อยตัวเองทิ้งไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักช่วยกายช่วยใจเราจึงต้อง มาช่วยกายช่วยใจวิชากรรมฐานนี่มาช่วยกายช่วยใจเราไม่มีสติมีสติก็จะได้หลักได้กำเนิดในชีวิตชีวิตที่ได้จากรูปจั่งนามเกิดจากการปฏิบัติชีวิตอันนี้ชีวิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย รู้ธน้ําจริงๆธรรมชาติมันแก่มันเจ็บมันตายอนสึกออาบางใช่ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดมีสตินี่ชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้คือถั่วมื่อที่รูนี่มันจึงเหนือกางเกิดเจ็บตายสุกก็รูปทุกข์ก็รูปเจ็บก็รูปตายก็รูปไม่ได้ตายผู้บมตายไม่ได้เจ็บผว้บำบัด นี่คือชีวิตจริงๆมันจึงเหนือพุกเหนือชาติยงเงได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต่อไม่เผิก ม, มันก็ขี้เลเร็วกว่าสัตว์อันอื่นงูกว่าสัตว์อางอื่นโกรธข้มามวันข้ามเกิน ทุกขามไปเรื่นยข้ามปีรับใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอดต้อนอดทนต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทั้งที่ไม่ได้ทนอะไรวางเนี่ยไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรจะไปทนอะไรสุข ก, ก็ไม่ได้มีทุ ก, ก็ไม่ได้มี ไม่มีเรื่องอดกลั้นอดทนธรรมชาติมันช่นชวยทมย่อมรักษาผู้ประพฤติทำอยู่เป็นนิรทมย่อมรักษาผู้พฤติทำใม้ตกไปในที่ชัว่วถึงกวามเจริญงอกงามมั่นคงจริงทรรักษาสินรักษา สมาที่รักษาปัญญารักษาที่มันโลภรู้ที่มาที่ฝึกได้ฝึกมาเนี่ยเดีวนี้ไม่มีใครรักษากายใจเถื่อนเถือนร้อมจะเป็นสุขพร้อมจะเป็นทุกข์พร้อมจะพอใจไม่พอใจพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงอกหน้าอกตาตาเห็นโลภ ก, ก็หลง พอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจจมูกได้กินก็พอใจไม่พอใจนั่นมัอนพร้อมพร้อมจะหลงพร้อมหลงเป็นใหญ่เป็นชาโลเป็นโมหจะจริตเรหลงก็เกิดโกรธได้เป็นโทสจะจริตพอหลงเกิดจลิตตัง้งนานแล้วเกิดห ล, ล่อฆาจริต ถ้าทัตไม่ใช่ตัวใช่ตนทาตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียเปียกความทุกข์เสียเปียกความโกรธได้อะไรไหมมันทุกข์นะโกรธมันได้อะไรทุกข์มันได้อะไรไมีเต่ทุกข์ต่อทุกข์มีน่นอช่กติดกับไปอีกพ่วง ก, ก็บไปอีกเหลือพ่วง ก, ก็บไปอีก มากมายหลายอย่างมางทีก็ร่างกายรกรมแดดการนหาเงินหาทองได้เงินนึกทองมาไปใช้อะไรร่างกายมันได้กินไหมอะไรเอาไปกิน กินบ่บ่บ่ก็พบหลายปากเชืนะชอนเนเช้อหกปากล่นะชีดของคนนะส่วนเชื้อหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารหาเหยื่อป้อนมันป้อนเชื้อหกปาก หัวแข็งแร ง, ลงแรงแทนเที่ยวมาสร้างมาสร้างผลไ ป, ไปรับใช้เสือหกปากบาที่มีลูกลูกก็ไม่ได้กินด้วยเชื้อไปกินก่อนมีเมียมเมียก็ไม่ได้กินด้วยมิเชื้อไปกินก่อนพ่อแม่ก็ไปกินด้วยเชื้ อ, อไว้กินก่อนโดยเห็น เปิดรดจอกมันจอาคิลีไปขอนเชิญเห็นคนบนรถพูดก่อนว่าจะไปหาเงินขอนเชิญไม่เหมือนจักบ่าเต๋วเนี่ยหางานทำขอนเชิญก็ยืมเงินกับเพื่อน เพก็เห็นจใจด้วยกันให้เงินร้อยบาทเพื่อจะไปทํางานรับจ้างหาเงินแล้วจคืนแน่พอได้เงินร้อยบาทบาทแรกที่ออกซื่อคือชื่อบุดีสูบ <Okay. S 1> นั่นนะเงินร้อยบาทชื่อบุดีสูงง่ายนิดเดียวงทนที่กายก็ไม่ได้กินลูกเมียไม่ได้กิน นั่นก็ดลองตารองเพลงให้ฟังเมืบาๆเนี่ยเมื่อก่อนเ <c> ห <oughs> ินเหล่าคดรคงต่อสมาชิกในครอบครัวไม่ซื้อสัตกินเหล่าจบบุหรี่เที่ยวเตะเล่หล่นแล้วก็อะไรเกิดเป็นทําไม่มี เราไม่ฝึกหัดไม่มีความเป็นธรรมกายก็ไม่เลิกความเป็นธรรมใจก็ไม่เลิกความเป็นธรรมพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ยิ่งคนอื่นจะพึ่งก็พึ่งไม่ได้นี่แหละชีวิตของเราต้องเริ่มต้นจากกรรมฐ า, านและจิตตถา เป็นอาชีพมนุษย์เรียนเก่งสิบเกตสอนยิงธนูจีมาตัดต้นไม้แข่งขันเทพเทวทัพเจ้าพ่าชาย ตัดต้นไม้ต้นไม้เท่าต้นขานี่ยให้สองว่าชายตัดลองดูสิเขาจะแข็งแรงกว่ากันเดีไ๋ยวถ้าตัดก่อนตัดจึ๊บต้นไม้โลมถึม ชาชนโหช่โยชโยใชโยจโยิตถะเขาอีกฝีมือร้องที่สองอีกต้นเท่ากันตัดชึ๊บต้นไม่นิ่งจต่ชานดูงเงียบปกใจว่ า, าจิตถะแพ้เทวทัศน์เสรแล้ว แต่ครูพูดจำนานบอว่าชีตาชนาะชนะอะไรก็นไม้ยงงืนอยู่แต่ว่าถ้าต้นไม่ล้มลงแล้วก็มาจริงดีกว่าชนาะครูของศีตาตัว่าต้นไม่ขาดแล้วแต่มันพบความเร็วไม่ต้นเม่ไงมากระทบประเถือนยืนอยู่นิ่งได้ เราก็ไปดูไปดูตอนมันขาดจริงๆนี่ขีดมากยิงธนูปันดาสอด ท, ทุกศาสตร์หลายศาสตร์ไปโจมดีเด่นั่นมันใช่ไม่ใช่ไชปเสดเหมือนกับพิทธธักษ์ฐานจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกิดพุทธศาสตร์นได้จากการเจริญเหล่านี้ อันนี้ประเสริฐจะมาถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะคนคนเดียวนี้เราจึงมีศรัทธาว่าพระเจ้ามีจริงตรัตูจุจริงด้วยผงเยงจริ ง, งๆสมสอนไม่มีเพิ่มได้ไม่มีตัดได้เป็นวิทยาศาสตร์ท่าทายต่อโลก นอนสองพนกนยปีมาแล้วสวัสดิ์ า, าตัวพระครเตอธรรมโมกขาทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วใครจะตัดออกก็ได้ใครจะเพิ่มไปได้จะมีอะไรมาตัดออกไไม่มีทางตัดมาผู้ศึกษา ปฏิบัติต้องทําด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติสัมผัสเอาผมหลงเป็นยังไงผมไม่หลงเป็นยังไงยิงไหมอะไรมันถูกต้องเป็นปัจจิตังไหมเราเคลื่อนมืออยู่นี่รู้ไหมต้องถามใครไหม สัจธรรมไม่มีคําถามไม่มีคาตอบตอบได้เอาเองไม่คนอื่นตอบแทนไม่ได้เลามันโกรธเราเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธถูกไหมถูกต้องไหมระหว่างความโกรธความไม่โกรธอะไรถูกต้องสัมผัสได้มีจตใจเวามันทุกเปลี่ยนความทุกไม่ทุก มันอลไรมันเกิดขึ้นจากที่เปลี่ยนทิงไม่ดีให้เป็นดีมันมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเป็นปกติเมื่ก่อนมันหลงมันไม่ปกติมันเปลี่ยนรูปมันก็ปกติขึ้นมา น, นี่ปกติทุกมันไม่ปกติเมื่อมันไม่ทุก รู้ขึ้นมาเป็นปกติปกติก็เป็นศีนเนี่ยมั่นคงอยู่ที่อะไรเกิขึ้นมาก็มั่นคงอยู่ที่ในสมาธิมีปัญญารอบรู้ไวสติไวสมาธิไวปัญญาไวมาไวไว สติมาไ ว, ไว้ไๆสมาธิมาไว้ไว้ปัญญามาไว้ไว้ไวก้กว่าอย่างอื่นในคราวเดียวกันด้วยความรู้จากความหลงด้วยความผิดจากความถูกได้วความถูกจากความผิดด้วความไปทุกข์จากความทุกข์มันไว้ขนาดนี้ F. เดี๋ยวทันที เพียงแต่รูมัก็ไม่มีอะไรที่ขวงกันเลยเพราะว่าที่รูเนี่คือว่าจบแล้วจบหมดแล้วจบหมดแล้วศาสตรจบแล้วเราถึงว่าที่รูนี่เรียกว่าอาศาัดมนไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรรูนี่อาสัดมนเป็นมนที่จบ เหมือนหมนดอื่นอันอื่นไม่จบสมรูที่ได้จากสูตรสาเร็จสองห้าเป็นสิบสูตรสาเร็จสองห้าเป็นสิบเป็นสิบเอด็ดไม่ได้อ น, นั้นเป็นสูตรสำเร็จ แต่ว่าสูตรนั่นตอบได้อยู่แต่ว่าไม่ไปชื่เรื่องอาศาดบนบจบแต่รู้นั่นแต่ไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่โกรไม่โลภไม่หลงแต่รู้อย่างนี้นทำร้ายหมดเรียงลาบเรียบวิที่เรียบลาบ มิตรภาพงาตฐานเรียกว่าสาสนาพระศีอาเรี ย, รย์แม่รทรเป็นดินราบมาหน้ากล่องใสเป็นดินราบไม่ใช่เป็นดินปต่ว่าที่รูนั่นไม่ลาบได้ชีวิตปูหมเกิดไม่ตาก็ลังไม่ตาเปขาเรียกว่ารูเนี่ย มันก็หมดแล้วไม่ตรงว่าชั่วเจตตาก็ได้กว่ารูดไม่เวนีภัยต่อ world, like and and ใครแล um. ้วไม่เวนไม่เต่อตัวเองไม่เป็นทุกข์ไม่ทาตัวเองเป็นทุกข์ไม่ทําคนอื่นเป็นทุกข์ไม่เอาเรื่องของกายของใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอาเรื่องของตัวเองไปทําคนอื่นเป็นทุกข์มันก็ท้องหมดแล้ว ไปว่าผมจันไปพึธรทำแล้วไม่ทำตัวเองไปทุกข์ไม่ท <own> ําคนอื่นเป็นทุกข์จริงอื่นเป็นทุกข์แต่ว่าสุขก็โตบุคคลสุขกติบุคคลไปดีมาดีอยู่ดีมีสุขสุขที่ไม่ต้องสุขควงสุขจริงๆได้จากความทุกข์ความสุขที่ได้จากความทุกข์เนี่ยเป็นความ สุขที่จริงจริงความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นวัตถุอื่นได้ความสุขได้จากความสุขอันสุกจสุกปรมหน่อยแล้วจึงสุขมีแล้วจึงสุขได้ทําอันนี้แล้วก็สุขใดเห็นอันนี้แล้วก็สุขแบบนั้นสุขแบบนั้นไม่ใช่สุขถาวรสุขจริงจริงมันสุขได้จากความทุกข์ลองดูจ้ะ เคยทุกข์มันผ่านทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นยังไงสมบัติต้องดูมันได้ความสุขจากวามทุกข์แท้ๆรวมทุกข์ทำให้เกิดเป็นผู้ธเจ้าแท้ๆไม่ใช่ความสุขเป็นผู้ติเจ้าประสาทสามฤดูไม่ใช่ทําให้เกิดเป็นพู้ตเจ้าพระเจ้าเห็นทุกพ้นทุกข์เนี่ยทำให้เกิดเป็นพุ้ตเจ้า เรเรียกว่าสุกก็เป็นสุกที่เหนือสุกสุกแบบนี้ไม่ต้องอาศัยนิมิตนิมิตอิไรนิตรามิกดสุกสุกที่ยิงอมิตรสุกไม่ยั่งอามิตร ไ, ไม่ถูกดไม่ถูกภาษาสัพไม่ถูกใช่ไหมเปน สุขที่ไม่ต้องเอามีดเนี่ยสิ่งที่ยอามีดจริงสุขไม่ใช่สุขที่เคร่งเธออย่าไปกลัวเลยให้มันมีแ้่มาเถอะว่าทุกเนี่ยมันเกิดกับการกับใจเนี่ยนี่แหละถ้าไม่เกิดเห็นทารู้ทำเห็นทุกถูกต้องแล้วถ้าไม่เห็นมันก็ นีจากมันไม่ได้พอทำมัติ็เจ็บเลยกายชักว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาเวทนาคือสุขคทุกข์นันเลยจิตก็ชั่วกาจิตธรรมักว่าธรรมนั่นและเป็นหลักสูตรที่ครบครบถ้วนที่สุดอะไรก็อยู่ตรงนี้เป็นด่านกักจิตวิญญาณของคน ถ้าผ่านด่านทีด่านนี้ได้ก็ก็ไปได้ทำไปเถอะว่าแต่ลู่นี่ถูกต้องแล้วล่ะยกมือขึ้นลู้ซืกอลู้ยิ่มยิ้มลู้เบาเบาลูซื้อซื้อไม่ใช่ลูกแบบเอาผิดเอาถูกจะเอาให้ได้จะทำให้ได้นม้มา หา้หวาวันเจ็ดหวันเจ็ดวันจะเอาให้ได้เพราะนั้นตั้งตั้งต้นผิดทําด้วยัตนาไม่เป็นไรไม่ใช่จะเอาให้ได้จะทําชื่อชื่อทำด้วยจตนาจะได้เหมือนต่างกันจะได้ต่างกันว่ามันผิดก็เห็นผิดง่ายง่ายเลยถ้าทําเพื่อจะเอาผิดเอาถูก ถ้ามันิดก็ไม่ชอบถ้าถูกถก็ชอบถ้าสงบก็ชอบถ้าพงจานก็ไม่ชอบนั่นตั้งหลักไว้ผิดแล้วเอาความชอบนั้นวามไม่ชอบตัดสินอ น, นั่นไปไม่ได้ไปทางขวงจะเจอตัวเรื่องนั่นได้ไม่ได้ได้ไม่ได้วิดถูกเพราะธรรมถูกก็ รู่เนี่ยรู่เนี่ยหวา น, นปิด ก, ก็รู่หวานสุกก็รู่หัานสมต ก, ก็รู่หวานจงก็รู่เพราะว่ามันเป็นรู่เป็นตัวเย็นอยู่แล้วรู่ที่กายรู่ที่การเคลื่อนไหวรู่สมัญญาปัปปะคือการเคลื่อนไหวอ๋อาาาสั่นสำว่าสมัญญาปัปะ อาสามะเราทำลายก็คือรูซึ่งรูชื่อชื่รูชื่อชื่อนี่เดี๋ยวยงหายใจก็ได้ว่าอนาปาบปะคือเขาหายใจเข้าลมหายใจออกจิบปพปะกิจที่มันคิดก็รูมันกรูนะตัวรูตัวเดียวไปใช่กับกายกับกิจกับสุขกับทุกข์ได้ทั้งหมดเลย ทำได้ทุกชีวิตก็ขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติจะไม่พาหลงเทศหลงทางถ้าเกิดไหลเพ่นก็บางทีก็ไม่ต้องถามทำไปก่อนมันจะเฉลยทีหลังเราถามประถามได้ย่าเปิดลัว เวลาเงี้ยกะจุขดท น, นาได้ส่วนตัวก็ได้แต่เวลานี่ยก็เดินไปเยี่ยมเพื่อนไม่ค่อยได้ยืนนานก็ไม่คอยได้สมควรใช้เวลาวันนี้กับพระองค์